เราตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนิยการถาให้แก่คณะสัตยาญาติโยมเพื่อเป็นการศึกษาธรรมะปฏิบัติเพื่อเป็นแนวความคิดของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกเราเกิดมาจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อได้กล่าวมาหลายครั้งต่อหลายหนสุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง กินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วไข่ควรทบทวกนกลั่นกรองไตรตรองเหตุและผลเกิดปัญญาขึ้นมาได้และกับภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งเล้วก่อนแล้วก็ น, นําจิตที่เป็นหนึ่งผ่านการสงบผ่านการ ก, กลนกองแล้วนำมาพิจารณาหาเหตุผลอันนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเพราะว่าต้อ ง, องทำจิตใจให้สงบียก่อนแต่สุดตามยปัญญากจินตามยปัญญานั้นเป็นหน้าที่ของออของทางโลกทั่ ว, วไปเพราะนั้นออพวกเราจะมีความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง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 ทำความเห็นให้ถูกต้องได้5ขณะฟังจิตของผู้ฟังจะได้รับความผ่องใสเพราะได้ศึกษาธรรมะซักฟอกทางด้านจิตใจใจของเราก็หายจากกิเลสราคะโทสะโมหะออกได้ง่ายเพราะอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นพวกเราจะเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้โดยที่ขาดการได้ยินได้ฟังนั้น ยืนยันได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ก่อนที่เราจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องศึกษาในเรื่องนั้นอย่างเราอยากจะเป็นแพทย์เป็นหมอเราก็ต้องศึกษาเรื่องวิชาของแพทย์ของหมอในแต่และวิชาคณิตศาสตร์บังวิทยาศาสตร์บังอังกฤษภาษาต่างๆทั่วโลกก่อนที่เราจะรู้ภาษาได้ภาษานั้นนั้นเราก็ต้องเรียนภาษานั้นๆจึงจะรู้ภาษาเขาได้ ไม่ใช่ว่าปลูก ป, ปรับไปจะรู้ภาษาหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ปูแรงอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันหลักธรรมะทำคำสังสอนของพระพุทธทเจ้าก็ชินเดียวกันถ้าเราอยากจะศึกษาให้รู้รู้รรึกซึ้งก็ต้องศึกษาในรายละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย เ, อเบื้องต้นคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นคือเบือเบ้องต้นก็คือ ทานศีลภาวนาสาหรับฆราวาสญาติโยมแต่วันนี้หลวงพ่ออยากจะพูดเน้นย้ําเรื่องการเป็นอยู่ของพวกเราคือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคืออะไรทางวากา ว, าาวาประเทศชายเขาว่าสิ่งแวดล้อมก็คือภูผาป่าไม้ป่ า, า, ปาดงพงไพ่ที่พักผาอาศัยที่อยู่ใกล้เราว่าสิ่งแวดล้อมแต่แตามไม่จริงสิ่งแวดล้อมมันมีหลายมัมีหลายระดับ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของเราอันนั้นก็คือสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันนี้สิ่งแวดล้อมภายในเข้ามาเนี่ยที่จะให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเหมือนกันสิ่งแวดล้อมทางนี้ทางนั้นก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันหนึง่งอันหนึ่งอีกสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งก็คื อ, อทิศท้งห ทิศทั้งหกที่อยู่ใกล้เราแปลว่าอยู่มันอยู่ติดเราเลยจ้ะทิศทั้งหกนะเบื้องบนเบืบ้องล่างทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอันนี้แปลว่าตึงเราเลยเราไปทางไหนไม่ได้เราจะต้องทําให้ถูกต้องในทิศทั้งหกนั้นในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็นสอนไว้อีกเหมือนกันทิศทั้งหกนั่นคืออะไรทิศเบื้องหน้า มารดาบิดาบุตรภรรยาควรจะทำตนอย่างไรกับบุตรธิดากับ เ, เบื้องหน้าคือพ่อแม่ทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาบุตรธิดาควรจะทำตนอย่างไรให้ถูกต้องกับทิศเบื้องหน้านั้น เ, เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วแต่ยังไม่จบจบเพียงแค่นั้นยังทําให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอีกเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้านี่ที่พ่อแม่เอาให้เราเนี่มอบให้เราเนี่ยังมีอยู่นะเออคือพ่อแม่ยังมอบให้เรายังมีอยู่ที่ตั้งแต่หัวจดเท้า เ, เราได้มาจากใครมรดกก้อนนี้ได้มาจากพ่อแม่ที่มอบให้เราเพราะฉะนั้นถึงเจ้าเ อ, อมรดก ที่มอบให้เราถึงท่านจะล่วงลับดับขันไปก้อนมรดกก้อนนี้ก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่เห็นหนิ่งเฉยแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พอ่อให้แม่ของพวกเราด้วยนี่แหละอันนี้คือทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาไม่ใช่ว่าลูกจะทำตามอัถาใจทำตามมํเาเภอใจทำไม่ถูกกับทิศเบื้องหน้าทะเลาะปิวาทกับทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้าไม่พอใจกับลูกของตนเอง เพอร์เผอยังตัดออกจากกองมรดกเพอร์เผอยังปร น, นามอีกถ้าฆ่าตายเลยแกจะมาเผาผีจีกระดูฆ่านะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วพวกเราจะหาความสุขได้อย่างไรหาความสุขไม่ได้เราทะเลาะกับพ่อกับแม่ไม่เป็นผลดีเพราะนั้นพวกเราต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องอ่อนน้อมถ่อมตนถึงท่านจะดุด่าว่ากล่าวยังไงก็คือพ่อแม่ของเราเราควรจะรักเคารพ บิดามารดาของเราอันนี้คือปฏิบัติตนให้ถูกต้องต่อทิศเบื้องหน้าคือพ่อแม่ทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยาสามีการอยู่ด้วยกันเขาต้องเป็นครอบครัวก็ต้องมีบุตรภรรยาสามีถ้าว่าพวกเราทําให้ถูกต้องทําให้เป็นธรรมอันนี้ก็คือความสงบจะต้องประสบความสงบร่มเย็นเป็นจุกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราปฏิบัติให้ถูกใน สามีภรรยาลูกของเราจะให้ปีนเกลียวกันสิ่งไหนที่มันเป็นธรรมสิ่งไหนที่ถูกต้องลูกทั้งหลายก็ต้องเคารพพ่อแม่พ่อแม่ก็เหมือนกันให้ความเมตตาต่อกันสามีภรรยาไม่มีใครที่จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขยิ่งกว่าสามีภรรยาลูกในครอบครัวนั้นๆถ้าตกทุกข์ได้ยากยังไงชาวบ้านเขาก็มองดูอย่างนั้นแหะ แต่สามีภรรยาลูกของตอนเองนั่นน่ะสามกลุ่มนี่คือพ่อแม่ลูกเนี่ยจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดพึ่งเป็นพึ่งตายกันจริงๆเพราะนั้นท่านจึงทำให้ถูกต้องตามทำนองคลองทำอันนี้ก็คือทิศเบื้องหลังบุตรสามีภรรยาแล้วก็ทิศเบื้องขวาอาจารย์อาจารย์ก็คือผู้ให้ความรู้ประสิดประสาทความรู้ให้แก่เรา คือครูโรงเรียนแล้วกัพ่อแม่อีกเหมือนกันพ่อแม่เนะี่ยคือเป็นบุคพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรทิดาที่สอนพวกเราให้รู้จักอยู่รู้จักกินรู้จักกลับรู้จักนอนรู้จักสิ่งต่างต่างได้ก็บพ่อมาจากพ่อแม่ทันยวพ่อแม่เป็นบุคพาจารย์เป็นคนแรกที่สอนบุตรทิดาจากนั้นก็คือครูบาอาจารย์ลงลําโรงเรียนจากนั้นก็สอนปัธยมมัธยมปณิาตรีโทเอกและก็ วิชาต่างๆที่พวกเราไปเรียนไปศึกษาหาความรู้แล้วก็เรียนวิชาเพื่ อ, เ, อเรียนรู้เพื่อเป็นวิชาอาชีพสําหรับเลี้ยงตัวเองฮนะอันนี้ก็คือจัดว่าเป็นครูบาอาจารย์เมื่อครูเมื่อเราเห็นครูบาอาจารย์เรากไม่ทอดทิ้งถ้าครูบาอาจารย์ตกทุกข์แต่ยากหรือว่ามีอุปสรรคนะเรื่องใดก็ตามเราก็ไม่นิ่งดูดายให้ความเคารพนับถือ แต่ถ้าว่าผู้ใดจงรักภักดีเรียกว่าให้ความครบนับถือครูบาอาจารย์ครูบาอ า, าจารย์ก็ให้เมตตาสิทธ์อย่างแนะนําสั่งสอนสิทธ์สิทธิ์จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่าเราดูถูกเหยียดหยามครูบาอาจารย์ครูบาอ า, าจารย์เห็นแล้วก็เออนี่สิทธิ์เนรคุณนะใครจะเลี้ยงไว้ก็เลี้ยงไวเ้เถอะหหาความเจริญไม่ได้หรอกคนคนนี้เนี่ยคำพูดของอาจารย์เพียงคําเดียวเท่านั้นแหละแต่ก ร, กระจายไปทั่วโลกแล้วเราจะไป หาเลี้ยงชีพเราได้อย่างไรเพราะเหตุไรเพราะเราไม่เคารพอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่แหละทิศเบื้องขวาคืออาจารย์ทิศเบื้องซ้ายเพื่อนมิตรสหายมิตรสหายก็คือหมู่พวกเพื่อนเราจะทํากิจการงานสิ่งไหนก็ตามยิ่งบริษัททางร้านยิ่งใ ห, ใ, หใหญ่ขึ้นมาเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความจําเป็นจะต้องประสานกับมิตรสหายสาขาตัวไหนมาจากไหน ล้วนแล้วจะเป็นพักเป็นพวกเป็นมิตรเป็นสหายส่งเสริมกันเข้ามาในบริษัททางล้านของเราจึงจะจึงจะเจริญงอกงามไปได้อันนี้ก็คือปฏิบัติให้ถูกกับมิตรสหายถ้าว่าผู้ปฏิบัติไม่ถูกหักหน้าหักหลังคดโกงไม่ซื่อตรงหาความสัจจะหาความจริงจังและจริงใจต่อกันไม่ได้มิตรสหายของเราก็ร่อยหลอหมดไปเพราะเราทาไม่ถูกต้อง อันนี้ก็กิจการของเราอย่าหวังเลยที่จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปก้าวหน้าขึ้นไปได้เพราะว่าเราขาดมิตรสหายนะมิตรสหายก็เป็นสิ่งจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่งและคิดเบื้องบนส ม, มณะพราหมณ์เบื้องสูงส ม, มณะพราหมณ์อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่ อ, อย่างนี้แหละแนะนำสั่งสอนสัทธาญาติโยมลูกหลาน บอกกล่าวเออศรัทธาญาติโยมนะสินเป็นอย่างงั้นนะสมาธิเป็นอย่างนี้นะปัญญาเป็นยปอย่างนั้นนะสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําสิ่งนี้ควรคิดสิ่งนี้ไม่ควรคิดสิ่งนี้ควรพูดสิ่งนี้ไม่ควรพูดสัมณะพราหมณ์ท่านจะแนะนําบอกทางนรกบอกทางสวรรค์เอออย่าไปเนิรอันนั้นเป็นนรกนะตกทุกข์แต่ยากถ้าประพฤติตนอย่างนี้แล้วจะไปทางต่ําแต่ถ้าว่าประพฤติปฏิบัติตนอย่างนี้แล้วจะเดินไปในทางสูงได้ จะเจริญรุ่งเรืองได้อันนี้คือสมณพราหมณ์เป็นผู้ชี้นำชี้แนะให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายอันนี้คือสมณพราม์คือทิศเบื้องสูงทิศเบื้องต่ำคือเบื้องต่า ค, คือคือเบื้องล่างอันนี้ไปว่าคนพนักงานคนรับใช้ของเราคนคนเราก็ต้องถ้ามีฐานะขึ้นมาแล้วก็ต้องมีคนรับใช้ เป็นไม้เป็นมือให้แก่พวกเราทามาค้าขายให้แก่พวกเราเราก็ต้องให้เงินต่้เงินเดือนให้หลังวันแก่เขาอันนี้ก็คือถ้าคนขาดลูกน้องที่ดีอย่าหวังเลยว่าบริษัททางร้านนั้นจะไปได้เล้มละเนรละนาดไปหมดละเนรละนาดไปหมดนะ่เพราะเหตุใดเพราะลูกน้องไม่ดีนี่แหละคือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวของเราเราจะทาตนยังไง กับลูกน้องของเราให้รางวัลให้อาหารด้วยความเมตตาดูแลนะ้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยให้ความอบอุ่นแก่เขาแบ่งปันที่ลาบผลที่ได้มาแล้วก็ให้เฉลือเผื่อแผ่พอสมมาสมควรอันนี้แหละคือที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ให้เคารพทิศทั้งหกให้บูชาทิศทั้งหกให้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อทิศทั้ง6 ถ้าพวกเราปฏิบัติต่อทิศทั้ง6ถูกต้องแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะที่ได้ยินได้ฟังค่ะให้นำไปคิดไปพิจารณาไตรตรอง เ, ออเพราะว่าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสไว้ชอบแล้วสวาคขาตธรรมตัดมาถึงคืงนู้นสองพันกว่าปีมาถึงคราวนี้เราเอามาปัดฝุ่นเอามาพูดก็ยัง เข้ากับสถานการณ์ได้เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆุกท่านทุกคนนะเนอะได้ศึกษาในหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้ามิตรสอนแนะนําให้พวกเราเป็นคนดีนั่นแหละชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้พวกเรารักเคารพชาติก็คืออะไรคือเราเกิดมาจากไหนเราเกิดมาจากพ่อจากแม่นั่นแหละชาติถ้าคนใดก็าตามเกิดมาใน พื้นแผ่นดินไทยแล้วเบียดเบียนชาติของตนเองเอทําตนไม่ดีพูดง่ายๆอทําตนไม่ดีอแปลว่าคนนั้นทําลายชาติถ้าหาว่าทําตนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรร ม, ม, นรรมคนนั้นเป็นคนส่งเสริมชาติอศาสนาคืออะไรก็คือพระธรรมคำสั่งสอนที่หลวงพ่อได้กล่าวพระธรรมศาสนาคือคือศาสนาพุทธศาสนาอย่างพวกเราที่นับถืออย่นี้ พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนคารวะญาติโยมก่อนหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้สอนให้เคารพทิศทั้งหกให้บูชาทิศทั้งหกอันนั้นส่วนหนึ่งจากนั้นก็ให้ทานทานก็ ค, ค, คือการเสียสละเมื่อเราเกิดมามีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีวงศ์สานายาตมีหมูหมากาไกา่เราก็จะต้องให้ความสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์พ่อแม่ของเรา สามีภรรยาของเราลูกหลานของเราหมูมากาไก่ของเราการให้คือการให้คือทานะคือการเสียสละของพวกเราจากนั่นก็ให้สาธารณะประโยชน์ชุมชนที่เราเกิดมาเสียภาะสง์เสียภาษีแล้วก็ทําบุญทําทานไว้ในพระพุทธศาสนานี่แหละคือการทําทานมีหลายอย่างอภัยทานคือให้อภัยซึ่งกันและกันธรรมทานเจดหลวงพอ่อแนะนําสั่งสอนว่าธรรมทานคือให้ธรรมะ แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมไม่ใช่ว่าเงินควักกระเป๋าอย่างเดียวทำไม่ใช่มีหลายอย่างในการเสียสละในการทําทานนะเพราะนั้นทานะคํคำนี้เป็นจริงที่กว้างขวางในหลักของพุทธศาสนาถ้าพวกใดก็ตามเป็นผู้เห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละให้พ่อให้แม่ให้ใครๆต่อใครทั้งหมดมีอะไรก็กินคนเดียวใช้คนเดียว คนคนนั้นไม่กว้างขวางหรอกไม่เจริญอีกต่างหากอยู่แบบมืดมิดมิ ด, มด เ, เป็นคุณคนที่ตนีทีเหนียวเวลาจะพึ่งพาอาศัยใครก็อยากจะอาศัยเขาแต่ตัวเองไม่ยอมเสียสละให้แก่ใครใครจะให้ความพึ่งพาอาศัยได้อย่างไรเพราะตัวเองเป็นคนไม่ให้ความพึ่งพาแก่อาศัยแก่ใครแล้วไม่ไม่ยอมเสียสล ะ, ะไม่มีฐานะให้แก่ใครแล้วใครจะให้ความพึ่งพาอาศัยกับเรานี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านมอง เราเอามาวิเคราะห์เอามาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วกว้างขวางเรื่องทานเพียงศีลเท่านี่รักษากายวายจาของเราให้เรียบร้อยอย่างศีลห้าอย่างเนี้อยอก็มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากเอย่าฆ่ากันนะอย่าขโมยของกันนะให้เคารพสิทธิสามีภรรยาของคนอื่นเขานะ เ, เขาก็เคารพเราเราเคารพเขาเอย่ยาโกหกต้มตุนหลอกลวงกันนะอย่าดื่มโุราขาดสตินะ คนดื่มโซราขาดสติแล้วไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วพอเหตุไดเพราะมันขาดสติเพราะนั้นสินห้าของพระพุทธเจ้าถ้าเราการกลองไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วก็มีคุณค่าสําหรับพวกเรานํามาประพุทธปฏิบัติได้ถ้านำนำมาประพุทธปฏิบั ต, ธธบติชุมชนสังคมในยุคนั้นสมัยนั้นก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่คนขาดสินห้ามากๆพวกเราคิดดีๆก็แล้วกันคิดดูให้ดีกันแล้วกัน อไปที่ไหนก็มีแต่ระแวงแคลงใจไม่ลวกขโมยอยู่หน้าไหนเอไม่ล้วกเอหัวม้าอยู่หน้าไหนไม่รู้ใครจะฆ่าใครอไม่รู้ใครจะต้มตุ๋นหลอกลวงกระชากลากถู ส, สามีภรรยาของใครก็ไม่รู้ไปที่ไหนมีแต่คนโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันหักหลังกันเรื่อยๆมีจะไปที่ไหนมีแต่คนดื่มสุราเต็มบ้านเต็มเมืองเมาไปหมดเป็นบ้าไปหมดอย่างเนี้ย พวกเราจะหาความไว้เนื้อเชื่อใจได้อย่างไงในชุมชนของพวกเราแต่ถ้าว่าคนในชาติของเราเป็นผู้มีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมได้รับการศึกษาที่ดีนะรู้จักสิ่งไหนสิ่งควรทําสิ่งไหนที่ไม่ควรทําสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนที่ไม่ควรพูดพวกเราได้ศึกษาและก็ได้นำํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงามาเป็นบรรทัดฐานพวก ชีวิตของพวกเราก็จะเดินไปได้วยความราบรื่นจะไม่มีอุปสรรคเลยพูดอย่างนั้นได้มีอุปสรรคืออุปสรรคที่เราแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้นั่นคืออะไรเราจะถามมาก็คือความแก่ความเจ็บความตายเรามีแต่ชะลอเท่านั้นเองชะลอความแก่เราก็ทานอาหารทานถูกทานยาเอาไว้แล้วก็รักษาสุขภาพเอาไว้อันนี้ แต่ถึงยังไงชีวิตของพวกเรามีจุดจบแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอพอินั้นพวกเราท่านทั้งหลายาที่เกิดมาในเกิดมาในเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้รอบรู้ได้ศึกษาพระธรรมคาสั่งสอนก็ขอให้พวกเรานำธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาถ้าพวกเรา มีทานมีศีล ภ, ภาวนาแล้วจิตใจของเราจะมีหลักยึด จ, จิตใจของเราที่มีหลักยึดที่มั่นคงแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจอะไรเลยเกิดมาแล้วก็อยู่กินเป็นวันวันหลับนอนเป็นวันวันทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นวันวัน เ, เมื่อถึงคราวจวนจบมาเราจะหาที่พึ่งทางด้านจิตใจไม่ได้ใจของเราจะว้าเวอ้างวางเงียบเหงาเศร้าซึม เพราะหาที่ยึดไม่ได้เพราะนั้นพวกเราให้หาที่ยึดไว้แต่ปัตตนีคือยึดคุณงามความดียึดศีลธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเพราะชีวิตของพวกเราในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าตายแล้วไม่สูนนะคํานี้ให้ฟังเอาไว้นะแต่ถ้าว่าตายแล้วสูนก็จบไปเอ่ถ้าว่าตายแล้วไม่สูนนั่นละ่ะเอพวกเราจะต้องได้ฟังจะต้องศึกษาแหละท่านนี่ แต่ถ้ามันมีใครถามเข้ามาอีกว่าหลวงพ่ออินเอาอะไรมาพูดวะตายไปแล้วเห็นเงียบไปทุกคนไม่เห็นกลับมาบอกเรา น, ะนี่แหละถ้าอยากจะถามในรายละเอียดมาถามมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อให้คำมีคําตอบต่างเยอะแยะแต่วันนี้ถ้าว่าให้คําตอบเดี๋ยวนี้ก็คงหลวงพ่อคงจะไม่ได้ฉันอาหารมางั้นเ่อะเพอาะคำตอบมันมากเหลือเกินที่จะตอบในสิ่งนี้แต่บอกได้เลยว่าถ้าพวกเราอยากจะรู้ ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนั้นพระพุทธเจ้าท่านพาทำอย่างไรท่านพิสูจน์อย่างไรในวันเดือนหกเพนนนั้นน่ะวันนั้นแหละเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปรำท่านทํำยังไงท่านว่านั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมหายใจเข้าออกนั่น ไม่ให้จิตใจคิดไปถึงอดีตอนาคตอดีตคือรเรื่องที่ผ่านมาอนาคตที่ยังไม่ถึงให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นี่ให้มีความรู้สึกอยู่ในเดี๋ยวนี้ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นเมื่อเราตั้งใจอย่างแน่วแน่ตั้งใจอย่างมั่นคงเวันนั้นละ่ะที่พระพุทธเจ้าท่านทําอย่างนี้จากนั้นจิตพระองค์ใจของพระองค์ความรู้สึกของพระองค์รวมเป็นหนึ่งเข้าสู่ความสงบคือจิตเป็นหนึ่ง เมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วพระองค์น้อมจิตความเป็นหนึ่งนั้นระลึกชาติโหนหลังได้ระลึกชาติโหนหลังปุูเพในวาสานุสติยานาจากนั้นก็ตุตูปายปาตยานอาสาวขยายานตามลําดับในคืนวันนั้นเพราะฉนั้นนี่แหละหลักพิสูตรหลักที่พวกเราจะพิสูตรด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องถามใครให้บอกให้ทําแล้วให้พวกเราต้องทำทำตามนี้แหละ เราจะไม่ต้องถามใครอีกว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูญถ้าเมื่อเราทําได้อย่างนั้นเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเออร่างกายของเราเนี่ย เ, ออเมื่อจิตสงบแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจคือตัวผู้รู้คือนามธรรมาเนี่เป็นอันหนึ่งชัดเจนอยู่ในกายของเราเนี่ยคือความรู้สึกเออจะว่าอยู่ที่หัวใจหรืออยู่ว่าอยู่ที่สมองอยู่ว่าอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั้งได้ทั้งหมดใจตรงนี้คือความรู้สึกนานๆนี่แหละเมื่อ เราตายไปร่างกายมันแตกตายไปดวงวิญญาณและใจดวงนั้นะจะไม่ตายเออจะไปปฏิสนที่ไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษาในจุดนี้นะเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำตรงกับวันที่สิบากรกฎาห้าสองเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราหลวงพ่อได้กล่าว สำมูทะนิยกถาเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือทิศทั้งหคือทิศบ่งเบื้องทิศทั้งหกให้พวกเราประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องจากนั้นก็เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องชาติศาสนาคือพุทธศาสานาส่วนพระมหากษัตริย์ก็คือพระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองประเทศชาติมาหลายยุคหลายสมัยท่านให้ความอบอุ่นกับประเทศชาติมานมนาน อันนี้ก็คือเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายโครงการผลัดตำริมีกี่อย่างพวกเราได้คิดดูไหมท่านปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมาอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้คือสถาบันหลักของพวกเราและพร้อมกันก็ให้อย่าลืมศิทลืมทำอย่างที่หลงพ่อได้กล่าวตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วเกิดอีกหลักพิสูจน์ว่าตายแล้วสูนย์นะตายแล้วาาลเกิดอีกนั่นคืออะไรเนะี่ยหลวงพ่อก็ได้ชี้แจงให้แก่พวกเราท่านทัน้งหลายฟังเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ข่ะว่าตายแล้วสูนย์นะไม่ต้องทําอะไรก็ได้แอนอนไปแล้วกต็ตายไปแล้ว ก, ก็จบเอแต่ว่าตายแล้วไม่สูนนั่นแหะเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติจะต้องมาไหว้พระรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างในวันนี้นะ แต่นี้ต่อไปก็ด้วยอำนาจคุณพระศีรัะตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิน